เจตนาผัสโสมะนะศิกาโรมีลักษณะดุดวิสัชนามานี้มีประกอบเกิดพร้อมด้วยกันกับปิญญา น, นั้นจึงจะรู้ว่ารูปด้วยจักรุปจึงจะรู้ว่าเสียงด้วยหูจึงจะรู้ว่ากลิ่นด้วยจมูกจึงจะรู้ว่ารสด้วยลิ้นจึงจะรู้ว่าถูกต้องเย็นร้อนอ่อนกระด้างทั้งหลายจึงจะรู้รรมบัญญัติทั้งหลายด้วยใจ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 พระผู้เป็นเจ้าวิสัชชานี้สมควรจะมานาศิการไว้ในการบัดนี้เวทคูปัญหาคำรบหกจบเท่านี้